นี้เราจะเดินทางเป็นวันที่สี่ก็เกือบถึงครึ่งทางของธรรมยัตราปีนี้ล้วธรรมยัตราเปลียบไปก็เหมือนกับเรือนนะนาวานาวาชื่อธรรมยัตรา พวกเราแต่ละคนก็เหมือนกับว่ามาลงเรือลำเดียวกันแม้ว่าจะมาจากทั่วสารทิศ ต, ต่างคนต่างมาแต่เมื่อมาถึงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าลงเรือลาเดียวกันเรือลำนี้ชื่อว่าธรรมญาตรา เรือเนี่ยจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องมีเครื่องยนต์นะเราเป็นเรือสมัยใหม่นะไปมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของธรรมยาตราคืออะไรนะ mm. ก็คือความเพียรวิญญาะความเพียรเนี่ยเป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนให้เรือลานี้เนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าถึงจุดหมายปลายทาง แน่นอนนะเครื่องยนต์ก็ต้องอาศัยน้ำมันน้ำมันที่ช่วยเติมหล่อเลี้ยงคณะธรรมยาตรานะก็คือข้าวปลาอาหารและน้ำที่ชาวบ้านและผู้มีจชิ้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มามอบให้กับเรา น้ำมันที่คณะธรรมยาตาได้รับนี่เรียกว่ามีเหลือเฟือนะไม่เหมือนกับปีแรกๆที่อาจจะคร่องอาจจะขาดแคลนนะแต่ว่าเด๋ยนนี้ไม่มีคำว่าขาดแคลนอาจจะมีน้อยบ้างนะแต่ก็ไม่เคยน้อยมากเลย น้ำมันเนี่ยได้ไมาเยอะแล้วมีเยอะไม่ขาดแต่ว่าเครื่องยนต์สาคัญของเครื่องยนต์นี่แหละนะว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะกินน้ํามันเยอะไหมเพราพวกเรานี่ใหญ่เป็นเครื่องยนต์แบบไหนนะเครื่องยนต์ที่กินน้ํามันเยอะแต่ว่าทํางานน้อยหรือว่ากินน้ํามันน้อยแต่ว่ามีประสิทธิภาพ อันนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราว่าเรามีวิริยะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเพียรมากนะแม้ว่าจะมีข้าวปลาอาหารน้อยก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ไกลวันนี้เราก็จะต้องนะเดินทางที่ไกลกว่าเดิม ต้องอาศัยความเพียนเนี่ยเป็นเครื่องยนขับเคลื่อนเลยถ้าเป็นกองทัพวิริยะนี่ก็คือทับหน้าทับหน้าคือวิริยะคือความเพียนคนเราจะเพียนจะพยายามได้เนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายแน่ชัดในจุดหมายเมื่อแน่ชัดในจุดหมายแล้วเนี่ยความเพียนก็จะ เกิดขึ้นอย่างมีพลังแต่บางครั้งจุดหมายปลายทางก็ดูไกลไกลมากจนเหมือนกับว่ามันไม่มีวันจะถึงสักทีหรือมองไม่เห็นเลยที่จริงจุดหมายวันนี้นะของธรรมยาตราก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ แต่ว่าพอเราลงมือเดินจริงๆเนี่ยชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าก็ยังไม่ถึงจุดหมายทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าจุดหมายอยู่ข้างหน้าไม่ใช่จินตนาการแต่เนื่องจากจุดหมายมันไกลือเกินในความรู้สึกของเรา ก็เลยรู้สึกว่ามันทำท่าจะไม่ถึงเวลาเดินไปเดินไปเดินเพราะตอนบ่ายแดดร้อนเดินไปแล้วสองชั่วโมงบางทีสามชั่วโมงบางปีก็มีนะตอนบ่ายบ่ายเดินไปสามชั่วโมงก็ยังไม่ถึงหลายคนก็รู้สึกวันไหวหัวสมองนี่มันบอกว่าถึงที่หมายถึงแน่มีอยู่ข้างหน้า แต่ใจมันไม่เชื่อใจมันไม่ยอมรับเพราะใจมันท้อสเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามองไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยแต่ว่าถ้าหากเรามีความเพียรคุณภาพดีถึงแม้มองไม่เห็นจุดหมายปลายทางก็ยังเพียรไม่ยุดยังสู้ไม่ถอย เหมือนอย่างพระมหาชนกนะถ้าเร า, านึกถึงพระมหาชนกนี่เราก็คงจะได้แบบอย่างของความเพียรพระมหาชนกเนี่ยมีเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นะก่อนที่จะตัดสู้มาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เราขอรบกรบบาบไหว้ทุกวันนี้ พระมาชลุกนี่มีฉากสำคัญตอนนึงคือตอนที่เรือเดินสมุทรที่มันแตกเรือเดินสมุทรเรือแตกเนี่ยนะก็มาลอยคอยอยู่กลางทะเลมีเพียงแค่แผ่นไม้แผ่นหนึ่งเอาไว้พยุงตัวคนหล่อนี้ตายหมดนะแต่ว่าพระมาชลุกนี่รนะอดมาได้ สิ่งที่ต้องทําก็คือว่า y ไปให้ถึงฝั่งแต่ว่า y เท่าไหร่เท่าไหรก็ไม่ถึงฝั่งสักทีไม่ถึงไม่เป็นไรมองไม่เห็นฝั่งด้วยถึงฝั่งเนี่ยไม่ถึงฝั่งแต่มองเห็นฝั่งนี่ก็ยังความมีกําลังใจนะแต่ว่าพระมาชุกเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่ท่านก็ไม่มี อาการลดละความเพียรก็ไหว้วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วก็ยังหมอเป็นสั่งจนทั้งถึงเจ็ดวันที่เจ็ดนะก็ยังไหวยอยู่คราวนี้ก็เลยร้อนอาจพระอินพระอินนี่มีหน้าที่ช่วยคนดีพระอินก็เลยสั่งให้นางวันนี้แม่ขลาเนี่ยมาช่วย พระมาชนกนำมนีแม่ขลาในเพลินนะไปเพลินกับอะไรสักอย่างก็จะมีการเลี้ยงฉลองกันในสวรรคนะ์ก็เลยลืมทำหน้าที่พอพระอินเตือนก็เลยมาลยนะมาถึงแทนที่จะช่วยนะบอกว่าแปลกใจเกิดความแปลกใจบ่นว่าทำไมพระมาชนกเนี่ยถึงมีความเพียนะขนาดนี้นะ ดังที่หมอเมนสังก็ยังว่าเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เลยถามพระมาชนกว่าท่านทําไปทําไมในเมื่อหมอเมนเห็นสั่งพระมาชน ก, ก็ตอบก็เพราะเราเห็นประโยชน์ของความเพียรบุคคลนะเมื่อได้เห็นเปลี่ยนความเพียรแล้วก็มีความพยายามไม่ลดละนามนิเมฆพัละก็ยังสงสัยอยู่ แล้วก็เลยพูดขึ้ว่าท่านเพียนไปทําไมเพียนไปก็ตายเปล่าเพราะว่าฝั่งยังอยู่อีกไกลพระมหาชนก็ตอบว่าแม้ตายนะแม้ทําความเพียนแล้วเนี่ยไม่สําเร็จนะต้องจบชีวิตลงก็ถือว่าไม่เป็นหนี้ใครเทวดาและยา น, นิโก็ติเตียนได้ได้ คือตายก็ไม่กลัวนะเพราะรู้ว่าความเพียรนั้นมีประโยชน์แมะตายก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แนละ้วไม่สามารถที่จะไม่เป็นที่ตำหนิติดใจของใครได้หรือแม้แต่ตัวเองก็ตาหนิไม่ได้เพราะว่าทำเต็มที่แนละ้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำเร็จไม่สำเร็จอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ สำคัญอยู่ว่าได้ทําความเพียรหรือเปล่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยจะทําอะไรก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าสําเร็จหรื อ, อมีหวังว่าจะสําเร็จถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ทําำในที่ทสิ่งที่ทำจะเป็นความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เ, อเดี๋ยวนี้พวกคนเนี่ยนึกถึงแต่ความสําเร็จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นวิธีถึงแม้ว่าจะทําสิ่งที่ไม่ถูกถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าทำแล้วสำเร็จก็ทำนะเพราะว่าต้องการเป็นผู้ชนะทีนี้กีฬาหลายแห่งก็เป็นอย่างนี้นะกีฬาหลายอย่างเนี่ยทุกคนทำเพื่อความสำเร็จแม้ว่าจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตามหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องจุดหมายถูกต้องแต่วิธีการไม่ถูกต้องก็ทำเพราะหวังเพียงแค่ความสำเร็จ แต่ว่าพระมหาชนงนี้ไม่สนใจนะสำเร็จไม่สำเร็จอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อที่ว่าทำความเพียรหรือว่าขยันขังแข็งหรือว่ามีริยะเต็มที่แล้วหรือยังเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนางนมณีเมฆขลาก็ก็ก็ยอมแพ้นะแต่ก่อนที่จะยอมช่วยพระ มาชน ก, ก็ยังถามอีกนะถามเพื่อยืนยันว่าเนี่ยท่านทำไปทำไมนะเพราะว่าทำไปก็ตายเปล่าพะมาชน ก, ก็พูดว่านี่คนเราเนี่ยแม้เมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดและรวดทำไปเพื่ออะไรแนะม้ว่าถึงแม้จะไม่สำเร็จนะก็จะได้รับปรียวน์แห่งความเพียร น, นั้นนะ ความเพียรไม่ใช่เพียงแค่พาให้เราประสบความสําเร็จเท่านั้ น, นแต่ว่ามันให้มากกว่า น, นั้นก็คือถึงแม้ไม่สําเร็จถึงแม้จะอยู่แค่กลางทางก็ได้ประโยชน์ประโยชน์นั้นอาจจะได้แก่การที่ฝึกใจใเข้มแข็งหรือว่าการที่ได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วสุดท้ายนำมนือเนื้ขลาก็ช่วยไปอินช่วย พระมาชนกนะพาไปถึงฝั่งได้การเดินของเราวันนี้แล้วก็วันไหนก็ตามนี่มันห่างไกลาจากสิ่งที่พระมาชนกเจอนะหลายเท่าทีเดียวเพราะเราเนี่ยมองเห็นจุดหมายปลายทางหรือแม้จะไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าเราก็รับรู้ด้วยใจว่ามันมีอยู่และมันถึงแน่ ไม่ว่าจะเป็นยี่สิบสาสิบกิโลก็ตามหรือว่าสี่สิบห้าสิบกิโลแล้วเราก็รู้แน่กระใจว่าถ้าเราเดินไม่หยุดมันถึงแน่แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอาจุดหมายปลายทางมาเป็นตัวดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรเพราะบางครั้งจุดหมายปลายทางก็ดูไกลจนกระทั่งมองไม่เห็น แ, แม้จะมองไม่เห็นเราก็เพียนไม่หยุด เพราะเราเห็นประโยชน์ความเพียรไม่ใช่เพราะว่าความเพียรเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่วิธีการหรือตัวช่วยที่จะไปถึงจุดหมายเท่านั้นถึงแม้จุดหมายไม่ถึงนะก็ยังทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีดังนี้พอเราเดินถ้าเราเดินนะเดินด้วยการวางใจที่ถูกต้องเนี่ยอย่างที่บอกตัวไม่ถึงที่หมายนะแต่ว่าใจก็ถึงทแลว หือว่าใจก็เห็นธรรมนะอย่างที่บอกนะว่าธรรมยานตานี่เรามีวิริยะเป็นทับหน้านะและทับหลังหรือทับหนุนคือหรือทับหลวงคืออะไรนะก็คือสติและปัญญาสติและปัญญานี่เป็นทับหลวงนะที่คอยหมุนทับหน้าถ้าไปเปรียบเปรียบเรือก็ก็คือหางเสือแล้วก็กัดตันนะทําความเพียร อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องมีสติและปัญญามาช่วยกำกับแล้วก็ช่วยหนุนด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อสองสาวันก่อนว่าการเดินเนี่ยเราจะเดินเราจะเดินให้ได้ดีนะก็ต้องรู้จักวางใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันไม่คอยชะเง้อ มองหาจุดหมายปลายทางเรียกว่าลืมจุดหมายปลายทางไปเลยใจอยู่กับปัจจุบันทางจะใกล้หรือไกลใจก็อยู่กับปัจจุบันนะจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้านะไม่ใช่ที่ปลายทางแต่ว่าใจเนี่ยมันก็จะเผลอคิดไปถึงมองไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วมันก็จะ บนอยู่ในใจตลอดทางว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะถ้าใครที่บนอย่างนี้นะก็จะรู้สึกท้อได้งา่ายมันจะเป็นตัวที่บันทอนจิตใจมากเลยว่าเมื่อไหรจะถึ ง, ถงเมื่อไหรจะถึงหรือเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จนี่เพราะใจนี้ไม่อยู่ที่ปัจจุบันใจอยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าหรือผู้ใหญ่ก็ใจไปอยู่กับอนาคตนะ้ อย่างพระมหาชนกนี่ท่านไม่ได้นึกถึงฝั่งเลยนะแม้ว่าไหว้เพื่อเข้าหาฝั่งแต่ว่าใจไม่นึกถึงฝั่งจังก็จะไหว้ตราบใดี่ฉันยังมีแร ง, งแฉันก็จะไหว้แล้วฉันก็จะไหว้ไหว้ไหว้นะหมองไม่เห็นฝั่งก็ไม่สนใจทงลองเดียวกันนะเราเดินเนี่ยแม้เราจะไม่เห็นจุดหมายปลายทางแล้วรู้อยู่ว่ามันอยู่10กิโลข้างหน้าหรือว่าอีกสองามชั่วโมงข้างหน้า แต่เราไม่สนใจใจเราอยู่กับปัจจุบันแต่ทํำยังได้ต้องมีสตินะเพราะว่าใจมันจะคอยส่งออกนอกตลอดเวลามันจะพุ่งไปที่จุดหมายปลายทางมันจะพุ่งไปที่จุดพักนะเดินไปแค่สิบนาทีก็นีก็รอหาแล้วเมื่อไหร่ว่าจะถึงจุดพักสักทนะีอันนั้นเรียกว่าความเผลอนะเราก็อย่าปล่อยใจให้เผลอแบบนั้นมีสติรู้ นะก็ทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันพอใจเราอยู่กับปัจจุบันนะดูอาการเดืนแต่ละก้าวแต่ละก้าวเราจะมีสมาธิสมาธิเกิดจากการที่มีสติกํากับจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวและเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะสงบเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมันก็เกิดสุขนะ น้อเกิดความเพลินขึ้นมาจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงนะแต่ว่าใจนี่ถึงแล้วก็คือมีความสุขใจนี่มีสติมีสมาธิก็เรียกว่าถึงทำได้เหมือนกันนะั้สำคัญมากเลยนะการที่รู้จักน้อมใจให้มาอยู่กับปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเฉพาะการเดินธรรมยารานะแต่ว่า ยังสามารถจะใช้กับการดำเนินชีวิตกับการทำงานก็ได้อีกอันนึงที่เป็นตัวช่วยนะก็คือการยอมรับทุกอย่างนะที่เกิดกับเราในแต่ละขณะแต่ละขณะ อยู่ที่พูดเมื่อวานว่ายอมรับทุกอย่างนะบนเส้นทางข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นโครนไม่ใช่เป็นทางตรวจไม่เป็นทางไกลไม่ว่าจุดพักนะจะไกลแค่ไหนแดดจะร้อนฝนจะตกลมจะแรงนะอาหารจะไม่ถูกปากห้องน้ําจะน้อยนะเราไม่บน่น ไม่บวยวายไม่ตีโพยตีภายเพราะการทำเช่นนั้นจะยิ่งซ้าเติมตัวเราเองทางไกลแดดร้อนนี่มันแค่ทำให้ทุกกายนะแต่ว่ามันทำให้ทุกใจไม่ได้แดดร้อนทางไกลไม่เคยทำให้ทุกใจมันทำได้มากคือทำให้ทุกกายอาหารที่น้อยก็ไม่เคยทำให้ทุกใจได้มันทำให้แค่ทุกกาย แต่ทุกใจเกิดขึ้นเมื่อจิตมันบน่นมันตีโพยตีพายมันผักใสไม่ชอบปฏิเสธตรงนี้แหละที่ทำให้ทุกใจทันทีเลยอาหารไม่อร่อยทางไกลหรือว่าแดดร้อนถ้าใจไม่บ่นนะมันก็แค่ทุกข์ายแต่ใจเป็นปกติแต่พอทันทีที่บน่นผักใสปฏิเสธต่อต้านไม่ชอบ ความทุกข์ใจเพิ่มความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้ไปซ้ําเติมกายให้หนักขึ้นความทุกข์เป็นคูณ2คูณ3ทันทีเลยนะเมื่อใจเราไม่ยอมรับใจเราปฏิเสธผักใส่คนที่ป่วยมะเร็งเนี่ยถ้าใจเขายอมรับได้เออมันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะเขายัางสามารถจะยิ้มได้มันทุกแต่กายใจไม่ทุกแต่พอปฏิเสธไม่ชอบทําไมต้องเป็นชั้น มีอาการผักใสต่อต้านไม่ยอมรับความทุกข์มันคูณสองคูณสามเลยใจมันต่อต้านผักไสแสดงอาการในหลายรูปแบบเช่นความโกรธความกลัวเวลากลัว <c oughs> เข็มฉีดยาเนี่ยเขาเคยมีการทดลองพบ ว, ว่าเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ย พอโดนเข็นจิ้มเข้าไปเนี่ยความรู้สึกเจ็บมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของคนที่ไม่รู้สึกกลัวแสดงว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้ความเจ็บมันเพิ่มขึ้ น, เ ป, นเป็นสองเป็นเท่าของเดิมมีอยู่แล้วคือเจ็บเจ็บกายปวดกายอันนี้1ส่วนส่วนความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวทำให้เกิดทุกข์ใจปวดใจมันก็เลย เพิ่มขึ้นมมาเป็นอีกสองส่วนเป็น3แต่ถ้าเราไม่กลัวเข็มนะความทุกข์ก็จะลดลงความรวก็จะลดลงหรือแค่หนึ่งใน3แลวความกลัวนี่เป็นอาการที่เกิดจากการผักใส ต, อต่อต้านเราอาจจะไม่ได้กลัวในระหว่างเดิธรรมยาตาแต่เราไม่พอใจเราขุนขืองอันนั้นก็เรียกว่าผักใสต่อต้านเหมือนกันและถ้าเราทำเช่นนั้นมันก็จะซ้ำเติมตัวเอง แดดไม่เคยทําให้เราทุกข์ใจมันทําได้ย่างมากกว่าทุกข์กายแต่เพราะใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปักใสนั่นแหละทำให้ความทุกข์มันเพิ่มขึ้นเป็นความทุกข์ใจเหนื่อยกายลาวนี่ก็อยากสําเติมตัวเองด้วยการปรุงแต่งความเหนื่อยใจขึ้นมาร้อนกายก็พออยู่แล้วนะจะไปเพิ่มความร้อนใจให้เกิดขึ้น ปวดเท้าก็พอแรงอยู่แล้วนะอย่าไปเพิ่มความปวดใจให้มาซ้ำเติมตัวเองและทำงานที่จะไม่เพิ่มความปวดใจความร้อนใจความทุกข์ใจ น, นัคือยอมรับนะการทำใจอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปฏิเสธไปก็ไรประโยชน์หรือว่าอยอมรับมันเป็นธรรมดา เป็นแค่อย่า้ว่าเป็นธรรมดานี่ก็ช่วยได้เยอะเรื่อจะยอมรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรามาเพื่อที่จะมาเจอสิ่งนีนะ้พอเราเตือนตัวเองได้ว่าเรามาเพื่อที่จะเจอสิ่งนี้นะมันก็ทําให้เรายอมรับได้ สิ่งเหล่านี้มันมาเพื่อจะให้เราได้เรียนรู้นะมันไม่ใช่มาเพื่อที่จะก่อกวนกันแกร้งเรามันมาเพื่อทจะให้เราเรียนรู้พอเราเห็นเรามองแบบนี้ใจก็ยอมรับได้เรียกว่าพร้อมเรียกว่าเอามือเรียกว่าอ้าแขนต้อนรับเลยว่านี่คือครูของเรานี่ไม่ใช่บุคคลศักดิ์แต่นี่คือครูของเรา ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนทางไกลห้องน้ำไม่พอเราไม่ใช่แค่ยอมรับเฉย่วยด้วยความจำยอมแต่เราอาแขนต้อนรับเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ว่าเป็นสมบัตครูจะมองแบบ น, นี้ก็ช่วยทำให้เรายอมรับได้ไอ้สิ่งนี้ต้องอาศัยสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินะไอต้ตัวบ่นตัวหัวไวตัวตีวโตีโพายเนี่ยมันจะมาเป็นตัวเด่น มันจะมาครอบงมเลยไม่ว่าจะเป็นการน้อมพาใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตละกตละตรรกะรู้กายและใจที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไม่ทำให้จิตโศกออกนอกหรือไม่ทำให้จิตไหลไปอดีตอนาคตอันนี้ต้องใช้สติการยอมรับปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย ใบหน้าที่ยิ้มแยง้งหรือว่าด้วยใจที่ชื่นบานอันนี้ก็ต้องอาใส่สติและในเวลาเดียวกันถ้าเราพยายามเตือนตัวเอยู่เสมอว่าให้เรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นที่เป็นธรรมญาตรมามันก็ช่วยทำให้เรามีสติได้ดีขึ้นด้วย น, นี่จึงเรียกว่าสติเนี่ยมันเป็นหางเสือหรือเป็นเป็น เป็นทับหลังทับหนุนนอกจากสติและปัญญานี่ก็สำคัญนะปัญญาปัญญาส่วนก็เกิดจากการเกิดขึ้นได้เมื่อเรามองเห็นประโยชน์นะของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมองเห็นคุณค่าของความทุกข์ว่าเออทุกข์ดีนะมันทำให้เราได้เจอธรรมะเจอทุกข์ก็ได้พบธรรมะ อย่างที่หลวงพ่ออมเกได้พูดเนี่ยว่าเจออะไรก็ตามแล้ถูกเขาด่าว่าก็เห็นสัจธรรมได้และความโกรธเกิดขึ้นที่ใจก็เห็นสัจธรรมได้พออย่าเพียงเป็นผู้โกรวก็แล้วกันมีความดีใจเกิดขึ้นเห็นความดีใจนั่นก็ทํามันก็เป็นประตูไปสู่สัจธรรมได้ถ้าไม่เผลอเป็นผู้ดีใ จ, จเองอย่างที่พูดเมื่อวานเด็กอายุแปดขวบก็บอกเขาเห็นความดีใจข้างในเห็นข้างในมาดีใจ ก็ไม่ว่าเขาดีใจเขาไม่ได้เป็นผู้ดีใจแต่ก็เห็นความดีใจข้างในถ้ามองเห็นแบบนี้นี่ก็ประตูสู่สัจธรรมก็เปิด้วหรือว่าเราจะมองนะว่ามองเห็นข้อดีไม่ใช่มองเพียงแค่เห็นข้อดีแต่มองเห็นว่ า, วามันไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรเลย แต่นี่จะเรามองแง่บวกก็ได้ทางไกลก็ดีนะทางไกลก็ดีดียังไงดีที่มันไม่มีแดดนะเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ทางวิบากไงนะเราก็ยังบอกเออมันก็ดีนะดีที่มันไม่มีแดดแต่วันนี้ก็ไม่แน่ลาจะมีแดด ก, ก็ดีนะที่มันไกลแค่นี้ กลุ่มอื่นคณะอื่นนี่เขาเดินไกลกว่า น, นี้เยอะวันหนึ่งเขาเดิน30กิโลนะอย่างกลุ่มที่อาจารย์ประมวลไปร่วมเดินสันติปัตตนีนี่วันหนึ่งนี่บางทีสาสิบกิโลนะนี่เราเดินไม่ถึง20กิโลดีนะที่ไม่ไม่เดินไกลกว่า น, นี้ดีนะที่ไม่มีแดดพยายามมองให้เห็น ข้อดีนะของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเร า, าพระปุณณเนี่ยท่านเป็นพระในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านได้มาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าอยู่สักพักหนึ่งท่านก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อขอกลับไปเมืองสุนาปันตักพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าทักทวงหรือว่า สักสอบถามก็ได้ว่าเพื่อให้แน่ใจนะก็ถามว่าถามพระคุณนาว่าเนี่ยชาวสุนปรพันตะเนี่ยเขาเป็นคนโหดร้ายดุร้ายถ้าเขาด่า ว, ว่าท่านท่านจะว่าอย่างไรพระคุณนาก็ตอบว่าถ้าเขาด่า ว, ว่าก็ดีกว่าเขาทุกตี แล้วถ้าเขา ท, ading, ท, ading, ทุบตีท่านท่านจะว่าอย่างไรก็คือเจะากระถางพระคุณณ์ะพระคุณณ์นก็ตอบว่าเขาทุบตีก็เขาก็ดีกว่าเขาาก็อหินมาควางแล้วถ้าเขาก็อหินมาควางท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณ์นก็ตอบว่าเขาาก็อหินมาควางก็ดีกว่าเขาไม้มาฟ้าดแล้วถ้าเขามัมาฟ้าท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณ์นก็ตอบว่าเขามัมาฟ้าก็ดีกว่าเขาของแหนมาแทง ผู้เจ้าเลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าข้าวของแหลมมาแทงท่านจะว่าอย่างไรพระนั้นก็ตอบว่าข้าวของแหลมมาแทงก็เดี๋ยวขอฆ่าให้ตายทีนี้ผู้เจ้าเลยถามครับสุท้าว่าถ้าขอฆ่าท่านให้ตายเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรพระนั้นก็ตอบว่าคนบางคนเนี่ยเมื่ออยากตายก็ต้องไปหาอาวุธต้องไปหาสัตว์ตรามาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาแต่ถ้าใครมีมีใครมาฆ่าข้าพเจ้าข่าพระองค์ก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อย ไม่ต้องไปหามา้าไม่ต้องไปหามีด ห, หาไม้มาไม่ต้องไปจ้างหวานไข่คือพระปุณธนี่ท่านมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านนะดีทั้งนั้นนะดีตรงที่ว่าดีที่ไม่แยกไปกว่า น, นีนะ้อันนี้ก็เป็นปัญญาเกันนะเป็นมุมมองอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิกการต้องใช้มากทีเดียวนะในการเดินธรรมญาตาโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้น อย่าไปอย่าไปลงโทษตัวเองว่าเนโอ้ยซวยเหลือเกินทำไมเรามีโชคลายแบบนี้บางทีก็ด่าตัวเองว่าทำไมถึงไม่อยู่บ้านทำไมถึงมานีนะ่คิดแบบนี้มันปั่นทอนจิตใจมันทำร้ายตัวเองยัเดเยียดความทุกข์ให้กับตัวเองไม่มีใครทําให้ได้พระอาทิตก็ทําให้ไม่ได้นะคนก็ทําให้ไม่ได้แต่อใจที่คิดแบบนี้แหละที่มันสามารถจะ สร้างความทุกข์ให้กับเราได้ต้องมองต้องพลิกมามองว่าเออมันดีแดดร้อนหรือว่าปวดเมื่อยก็ดีนะดีกว่าคนหลายคนที่เขากำลังเป็นมะเร็งตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราเจอนี่มันจิตจอยมากเลยเราจะมองว่านี่นี่ยังดีนะข้างหน้าข้างหน้าในชีวิตของเราข้างหน้าเนี่ยเราต้องเจ อ, อที่หนักกว่านี้เยอะ มันรอเราอยู่แล้วนะข้างหน้านะความเจ็บป่วยความสูญเสียพัดพร่าความล่มเหลวเนีย่ยไม่ต้องพูดถึงความตายอย่างที่เราสาวเมื่อช้านี่เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้เป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไอ้ความทุกข์ที่รอเราอยู่เนี่ยในอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยที่หนักษาสาหัสกว่าธรรมยาตานี่มีเยอะนะบาตะไทยเลย ถ้าว่าแค่อุปสรรคที่เราเจอธรรมยัติตาให้เรายัางไม่ผ่านแล้วเราจะไปรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้อย่างไรหรือจะมองก็ได้ว่าเออเนี่ยไอ้ที่เราเจอนอี่ยังติดจอยข้างหน้าอย่างอีกไกลที่จะต้องเจอมากกว่า น, นี้ที่แบบนี้นก็ทําให้ปัญหาบางกลายเป็นที่ใหญ่กลายเป็นเล็กลงได้ ถ้าทำให้เรามีกำลังใจหรือมิฉะนั้นก็จะเลยพิปัสสนาเลยนะจากการระหว่างที่เดินธรรมยาตรานะไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนทําให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยสติและปัญญาเนี่ยก็จึงเป็นเป็นทับหลวงนะทับนุนนะให้วิริยะความเจียงของเราเนี่ยมันพุ่งไปสู่นะ ชิดทางที่ถูกต้องแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าลืมนะเดินธรรมยตาเนี่ยต้องมีความเพียรแล้วอาจจะเพิ่มความอดทนเข้าไปด้วยก็ได้คือขันติขันตินี่มันเป็นเครื่องเผากิเลสได้นะเมื่อเรามีวิริยะและขันติเป็นทับหน้านะ ปกติปัญญานะเป็นทับหลวงทับนวแล้วนี่การเดินธรรมยาตราก็จะราบรื่นนะเรียกว่าสะดวกโยถินถนะึงแม้ว่าอุปสรรคมากมายแต่น่นมันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าใจเราเป็นปกติใจเรานิ่งสงบได้นะเดินทางไกลใจนิ่งสงบได้นะไม่ใช่เดินทางไกลแล้วก็ใจรุ่มร้อนอันนั้นเรียกว่าขาดทุน เหนื่อยทั้งกายแล้วแถนเหนื่อยใจแต่ถ้าไม่ให้ขาดทุนก็คือเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเบิกบานร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานนะทำไดนะ้และวันนี้แหละนะจะเป็นการบ้านที่จะมาทำให้เราทะลุทะลวงนะผ่านผ่านอุปสรรคนะ ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยพบมาก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีในตัวเราและเป็นสิ่งที่เราทำได้ชานี้ก็เพื่เท่านี้น ะ, ะกราบคระ